นั่งได้ที่ได้ต่อลมปฏิบัติเล ย, ยต้องอไม่หลอกันอันนปานสติอันัปานส ต, ติสมาธิมีแค่นี้ เ, เลนงจบของเพียงพยายามต้องแข็งจบจบของ วันนี้ปรปับปรุงยกพร้อมวันนี้เราย่อหย่อนอยู่มันไม่สงบใก็เพิ่ม เ, เวลาเพิออ่มยึดขยันทำให้ขยันคนนั้นสงบเร็วเพิเ่มแเลีย้ยอเขียยกอมอ้มลร้อ ใช่คือม้าเหยียดมันก็มีแช่งมีเที่ยอาา่าปานสติครบมี่สติยู่ลมเล่าลูเดินเดินแน่นอนเดินทาก็คิดนะทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่นั้นเดิ น, ก, น ก, ก็ให้รู้นัก็ให้รู้ให้สัเมเนกันอริยบรสัเมเนธการธรร ยืนทำมาสมัมมาการังคืให้มีสตยิยืนก็ให้มีสตินั่งก็ให้มีสติเดินก็มีสตินอนก็มีสติสติทุกโลกเราทำมาสัมมากันเมื่อมีโลกะจะอยู่ก็นนดได้เมือมมเ่อไม่ีไม่เรียกการขึ้นกันวัน ทำงานอยู่เช็ดเบียร์ดูนี่ล้มใจใดูเนี่ยบียร์อันดีวันล้มเช็ดไปว่าอะไกันเาี่ยมันบ่แย่เช็ดได้หมดคือเขาจิตมันแยกมันทำงานมันอะไรอะไหมดปัสสาเช็ดูกดดล้มใจใจดูล้มจนเรา ล่างถวยล่างจานร์รูล่มเนเนาเดินไปยินธนบัตผ่าเดินไปยิงธบตรจะให้รู้ล่มเห็นเนาไม่ต้องไปดนโดยบางคนสงสัยว่ามันสียวอยากขี้เรโก้ก็คิดว่าอยากขิหนัวทุ่งห่วยคิดว่าต่ำไม่ท่ำไม่อยากมันเกงมากสติ ไม่ต้องไปสนใจอะไรถ้าใครเล่ยได้บังคับแต่ความแนคุมแต่ความเคลืยอนแต่ความแนมันไม่ยากอะไรทำเยอะมันได้ไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยเป็นิสัยเ็ปจจยให้แก่สิ่งพรนิาให้ถึงสิ่งพระนิพพานทำเยอะนลย เชื่อเสื่อในพระพุทธเจ้าท่านว่าอาปาสติบุคคลใดจะเดินแนวทำให้มากแล้วย่อมได้ปัญญาลิมเจ็บติวลืมปัญญาวิมุตมญญมิต้องเชื่อหรือคนเนอกหรือคนจะขันขั้สิลปอาส า, า, าศิลปในปัจจุบั น, นชาตินี้ วันนั้นทำนี่นั้นคิดทำนี้ถ้าเข้าใจรู้วิธีทำอยู่นี้เราเล่นหรือไม่เล่นกะเวลากะอยู่กับนลวงพ่อสิทุนท่านแบบวันหนึ่งวันหนึ่งอยากจำก็ให้เห็นลงให้เจเห็นคำปฏิการคำภาวนาย ประมาณ 7-8 ช่วมงสำเร็จเข้าเนี่ยเฮ็ดยังโยแบ่ง เ, เวลาเดี่ยวสองไดีวันนี้เราจะนอนประมาณ5้าทุ่มหรือสี่ทที่จะนอนครับทุ่มจะเล่น เ, นเลยเร่ง น, นอนกรับทุ่มไปเป็นที่สองเร่งเลยเอาได้แล้วจาก นั่งสวดมนต์ทำวัดสวไล่แสงสวดมนต์ทวัดก็ไม่ให้วางลมนะกหนดสติอยู่นะเย็นลมสติไปตั้งไม่เห็นลมเห็นูรู้ทานใดทนเย็นองเหืนนับอาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เอานับเอาุ่่ เราเริ bowl, tree, Five, ่มไหวพระสวดมนต์เสร็จไปหยุดเอาสามทุ่มสมุกก็ได้แล้วสองชั่วโมงีวกลับไปติอีกรีบกลับไปไม่ไลมต้องมาโอเเสียเวลาไปเลยจะเอาอย่างเดียวเอากรรมพนอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาโอเคเสียเวลาดลเรศสงสัยเลย บางคนเรียกเอาปุตติฤกหาที่สงบสงบทำอิบไปไปสี่ทุ่มกั่วโมงหน้าทุ่มชั่วโมงหน่กทุ่มสามเดือนและหาชั่วโมงหนใกล้แช้ไปนอนพักก่อนมหน่อยสีสองตื่น ทีสองมาตื่นขึ้น ก, กน่อนจัดแจงที่ลับที่นอนเจ็บเรียบร้อยล้างหน้าแดงวันเสร็จก็มาเดินจงกรมก่อนมันจะ่งมังตื่นมาทีสองมาตีสามมาตีสี่มานั่งจมาที่ที่ห้า มันก็แรกตนแดทั้งหม่เอื่นขึ้นเอืนขึ้นก็ค้าลงให้ได้อยู่ต่พอรู้สึกตัวก็จับลงทันทีเลยมันจะเย็นจะเบาจะัด่างันตื่นขึ้นถ้าไปจับมันเป็นสมาธินอนหลับก็เป็นสมาธิเอื่นขึ้นก็จับเอาเงเองจะนั่งเดอนเดินยัก็แล้วแต่ะ ล้างหน้าล้าตาเป็นฝันสร็จไม่ใช่เป็นฝันโอ้ยเงนะการแป็ฝัน่ใช้เวล า, ร, ารีบลาหน้าล้างตาไม่ใช่ลเล่นนะรีบสร้างโอกาสนี่หละของไม่ได้ต้งรู้ไปพเสร็จเข้าทางเดินจงกรมไม่เข้าทางเดินจงกมกลับมันนสมาธนะิอิ ด้เวลาลงมาจัดท่าศรีห้านั่านี่มาจีห้าก็ได้ทำจัดอาศนีาช่วยกันเสร็จนั่งสมาธิต่ออีกไม่อยานั่งก่เดินเห็นหมูเพื่อนนั่งอยู่หลายก็ออกไปเดินขที่ยวหเดินข้างในนี่ก็ได้ไม่ต้องายกันเราพวกเรามาหาพระเิพพานมาหามรรคผลนิพา เอาลยนัะจนนู้นนะนนะถึงเวลาบังนุบอ่ะจับเอาไว้นะคงวา ด, ด, าาดจับเอาไว้ก็ดูเรือกเก่านะไม่ให้บานลมเผอจับจ น, เ ป, นเป็นนิสัยเน่เอาไว้มาเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเคยชินนะ้น่ชินไม่จิตไม่สงบไว้หนอ จิต้ามาจัาอารมอย่างนั้ก็คือปีตีสุขง่าให้ได้บาตรก่ออวินวัยบาต้องหนดสติอ ย, ยากก็ลงให้ใจได้กลบไปต้องในบาตออกมากไม่ต้องขึ้นรถกับโมกับเพื่อนภาวนามาอีกการเดินนได้ภาวนาด้วยนขึ้ น, นรถมันบีบมันไม่มีเวลา ไปเดินมาไปติดใจามหาใจอยู่นั่นนะจนมาถึงสาธารณที่พักถึงท่าก็เอาบาสมาบาลไปตรงนี้สติอยู่ต่อนะพึสติอยู่นั่นทอดบาตทอดอะไรอล้วตรงนี้สติรู้ลมอยู่นั่นแาไปเจ็บอะไร ไอแบบีอยากมาช่วยรูวาจาาก็เียนเนียมั น, นมาพ้อกับท่านให้มาก่อนท่านเอามาทำมาเอาอย่างนี้มันไ่ดูหรอกอย่าว่าทุก เ, เ, กเดือ น, น, นเลยอาทิตย์เยอะนเอาลงท่านจก่อนเบาลงเบาลงแล้วไปแตะความนิ่งิ่อย่นี้แล้วไปแตะพุน่พพพยยนุ่นูเนี่ยพุทธก็เห็นพุทธพอยงั้นนี่ รู้รูู้ใครทำอะไรบ่ไม่ดีไม่ดีไรรู้เชิญรู้เทีนี้มันได้ดีขนาดนั้นจะไปทานด้วยวันนึงสิชั่วโมงก็ได้แล้วพูดพูดเอาคึกสันาหารกมีสเศรีล่นเบิ้งย่างสั่นอาหารแอบแ เนี่มล้นเป็นพิเศษนะล้มหัวเป็นไรล้มหัวเป็นเนี่ยเนี่ยมันแสนดานอาแารเสียอาหารบ่อถกอาหารเช็คอาหารนั่ น, น, น, เ, นเป็นยังไงเนี่ยบงเกียวทำไมมันไม่ยากเลยเห็นเมดเนี่ยมันข้นบัูเม็ดฐ า, านสีเห็นลมหัว ล, ล้มเขลกลมบอเห็นกไกยแม่ไก่พอง ออกไปมากเลยแง่มันแนง่มที่ออกนั้นขันมันแทร ก, ะเ ก, ก, กะเกิดทุกขเวทนานขันมันก็แทรกก็เกิดไไงไงทุกขเวรนานล่มหายใจหอบไปไหนไหนเกิดทุกขเวทนานทุกขเวรนานเกิดคิดมัคิดไ ป, ปะจะไหนแง้มนุ่มคิดมันคิดไปจะไหนว่าง น, นั้นมันออกนิดหน่ตัวเราสติ ขุมจิบไม่อยู่กับวเก อ, อยู่ตัวเลยอ่าตอ่นต้องเไี่ยงวันไม่ยเอาทําไม่เขาไม่อยู่สร้างไม่อยู่นะยยนหนอลอกเขาแสบขุ่มมาแสบต้อไปใสเกิดต้องไปเน้นนคำอขุ่มอะไรวะอะไรตัองไปใสนี่มันเวืหน้าเราเกิดนี่นะจิบก็เกิดนี่นะถ้ำก็เกิดที่นี่นะอ่เข้มจิบเน่จิบเข็มถ้ำในี่ยถ้ยั ง, ง, ง, งสติประทานสี ตะีวนี้ออกแในในาง่งนธันท์สตีนเลยทันห้อกสันเจ็บทเห็นล้มให้ใจเขาให้ใจเห็นกายกายท้งลายท้องโกเรายกว่าล้มให้ใจจะไเอานะไรอีกกายล้มนี่แล้วเพื่อนว่าลูกนี่เพิ่อนว่ากายเนยนี่นะลมก็กายล้มมาหาโคตกเบิ้ลมาเยี่ยมต้องไมห่างมาหน่อย เวลาเริ่มถอมันจะเอาดินหน้าล้มไปหอกแง่เบอร์มันเียนเนี่ยมาหาพูดกันดมันเอกไปเวลาออกมาเอาออกมาเห็นมันคือขตายเนี่ยอดีตอนาคตมี่บอ่านี่นี่จะอนานต ถาแแม่แต่ท่านเห็นแบบเบื่อเลยก็ได้ขึวนเ้าันใสให้สบายเห็นหนายสแวายกาลมนี่่ามีสัคนตัวตไในลมม่เห็หน้าเนียนีนนันี่คือจะสูขาเลยหน้าเทุเขเลหน้าเกิดทุกอยเห็นจิตในจิตเห็นท่านในท ขอ้อ น, นะตะกี้ปิดทาง ส, วาสงีว่ามันเสร็บไม่อะไรอื่นต้อไม่ถองมงว่ามันเราเสเีบอื่นตนะ้ไม่ถ่องนะจเสีบเพเสียเสร็จดมันก็ดองนะตการณหน้าซับแต่เราม่เหตกาหาาน้จ็วตอนตอราอาหารดีดก็ดีกคิดปรุงไปอ่สญญาสงว่าจิตอะ อย่าคิดในคิดแล้มให้ใจเป็นยังไงเนีความคิ ด, ค ด, ค ด, ด, ค ด, ดกเกิดคิดว่าดีไวไคิดดีเว้นเมื่อเกิดงกันแค ห, หน้าหึงคิดเรื่องดีๆหัใจก็สุขทขาแน้าก็เกิดแต่คิดเห็นหน้าสั่งกันคนบอกหใจกันทุกเขาแค่ ห, หน้าก็เกิดเมันน่กั น, นไม่เหนมันเกิ ด, ด, ดกแล้วมันก็ะดับ ยังเห็นท่าไม่ท่าท่าม่ทราบเพื่อหลุดท่าหน้าท่ามันเกิดขึ้นตั้งยู้ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาเห็นกายก็จิตกายเวทเท่าหน้าจิตอย่างเรียกว่าค้นหาหลูดก้อนหน้าหลุดท่าหน้าท่าเห็นท่าเกิดขึ้นตั้งยู้ดับไปเป็นอนิจจังโนกามันนัตจาเห็นยุสิผมไปเห็นบอกเื่องขอสถาน คติประธานชีมันอยู่ในล้มให้แก่มากขวดมเเหินจิตในจิตเ ท, ท, ท, งงท้นทรรมในธรรมพองบางท่านก็เกิดมาธรรมในลก่การเดียวมันอารมณ์ที่จำได้ไม่หลุง แ, แต่อันดีพันจำลูกจำเสียงจำกินจำรสปทพทั้งมาลุ่มแต่อดีพอมขึ้นไม่อันดี ม, นนนดมากๆายิบมาถือไว้็ยนี ไม่ ใ, ใจไหล้อกใจเกิดเราก็ดับขว่ามันมเล่าเคล็ดนี่น่ะส ต, ติปัฏฐานสี่ถ้าหรงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แน่นอนสาคัญเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราก็เห็นถูกต้องคือส า, ามมาทิฏฐิเพื่อนี่เนี่ยเยออพาสิว่เห็นนี่ นี targets, the the the like ่เพิ่เห so ็นว่ากายสักแกว่าเขาตั้งชื่อสมมุติว่ากายไม่ใช่สรรพคนตัตนเราเขาเห็นว่าเวทนาก็สัจแกว่าเขาตั้งชื่อเวทนาไม่ใช่สรรพคนตัตนเราเขาเห็นจิตเห็นใจจิตกับใจเดียวกันสักแกว่าจิตสัจแกว่าใจไม่ใช่สรรพคนตัวตนเราเขาเห็นธรรมก็เหมือนกัน เห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติเห็นอนิจจังทุกขังนักาเรียกว่าเห็นธรรมดาทำก็สักแต่ว่าทำธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังนักดานมีตัวตนบุคคลอยู่ไหมครัความเห็นถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นชไม่ได้ไปอยู่ในหกปัญญาพยายามแจกให้ความช้แแบบอธิบายพอเป็น เขาเปโคมเวลาเราไป <c oughs> เริยนปัญญาที่ไหนมันอาจจะข้างๆก็ต า, า, ายอยู่เวลาอธิบา ย, หยๆๆาให้ฟังนั้ก็จะเข้าใจลึกและเ อ, อียกขึ้นเวลาเราไปทำไปคิดพอเอาสัญญาณขใจำเลนมาดูไปไขขดทีอังหน้ามันเอาไปมาก็ะจายเป็นปัญญา จะเป็นไงเนาะไม่มีอะไรด้มืนขนมีพายนะป่าพ า, านธุเศษป่าทำงานรักษาสุขอันบรมสุขใครมีปาเนีสุขมาบวชเดี๋ยวนี้มาอยู่วัดเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติก็เพื่อจะบรรลุความสุขต้องมองทุกให้เห็นจึงจะเป็นสุเดียเ๋ยวนี้มองเห็นทุกเป็นสุข เห็นขันหาเกับเห็นขันาทั้งนั่มันเกิดนดับเข้าอมน้มสุเห็นขันหาเนี่ยเห็นกงจักมันหมุนอยู่ขันหมุนือกงจักอา่เกิดเป็นหมุนไปอาม่เกิดเป็นหมุนไปอาม่เกิดเป็นหมุนไปอาเก่าอาม่เกิดเป็นหมุนไป นั่นเป็นทุกข์เนีห้อมาันป็นสุขได้ม้าเลยันสหันเกิ้ตาเห็นลแต่ว่ามีความสุขหได้ยินงมีความสุขมกไกินมีความสุขเพนั่นกวเห็นสุขเห็นตแต่มองทุกข์่เห็นิ้สุข เมื่อัขส้ากเยน่เป็นสุยมากต้องคิดเกิดขึ้นคิดไเมื่อก่าดูยิ่งข้าสงจ่มันมันเป็นกเลก็เลยเาเนหาเห็นงจักรบวนเร่อาวคนหามันหนเตียวตัวเม่ือพื่อกงจัก เห็นทันหาเห็นโกงจักเป็นรอกัวเห็นเจ้าหมอเพื่อค้นบอกเด็กไปใช้ไปทำไปเพื่อเพรันดีพอเรื่องมันเพราะฟันไม่พอเร่อนตัวดีว่ามีดี้องพอเรื่มันต้องพอแบบสม坤เรื่อง้าีจไปได้ดีไหมไม่ใชตัวดีไม่ใช่ไปหาทั้งไปเป็นบากจรับตัวดีเมื่อเนี่ยเดถ้าไปท้องไปจดเอาไวก ผู้ใดเปเด็กบอกมกบายรุ่งผู้ใดบอกเด็กบอกทกบายรุเป็นเหตุว่าเดียรัราทาบห้าสิ้หาชิยังตัดบอกไม่ผ้เด็กหม้อดูหม้อดูดวงดูดาวตัดกรรมตัดเวงเป็นเตว่าเดียรัชาาูู้้สื่อตายไปแล้กบายุ่ พู้บกตายเดก็ไปตกไปเลี้ยูพระอ่าฟังผู้พระเสียสะเสียสละเหนไมคนนั่นปุ่นมีพระบอกเลย่ถือเขาดาวและเด็กซีนเห็นมันเลยนั่งสมาธิให้มันเกิดเยอะเมื่อไรซื้อเราเด็กซีนเห็นมันดีกาดีว่าใจดีใจดีบาปน้อยหาเลยมันห่มา เนี่ยไรเป็นไรแทบเป็นแต่ได้บุญได้กุศลเขากล่าวว่าบุญน้ำกุศลท่านก็ได้ผลท่าภานท่านของกินอะไรอรอย่างนี้ของดีๆท่านด้วยของดีๆมากอ่ากล้วยยีเงมันสวยมากเขาบอกเลยนท่านขันเาไก่ดีไหวแกดีใจดีอ่ามันถึอยากนมีสิทธิะ กันไปบอกเลขกอยเือใกล้เลขกีิวาเงื่อนนี่เยอะนะเนาะ้อยแย่มากดิโพกับทิ้งเดียนมาเลกขอัเล็กพอะไรกินในยาพรกันฟาดเือเลขกออกไปแล้วเงนเลขกกถือเอาแหงแล้ยงเลยเดี๋ยวหาพนมุมี่ได้เลขเลกอง็รู้มันก็สังนั่นปวดมา่าสั่งตายก็จะไปต๊ะไปพุ่มกัน เจ็สุดปวดเมือ่อยห่างมาซ้ำมองอยู่ในสีในท่านเอ อ, อเห็ดเยประเดีวบอกเรียบบอกมันดูมหม้อดูหมอ้อเก่งตัดกำตัดขอดเสีขอแจงแก่เก่งได้กินดอกในฉันหรื่ อ, นะนะอเขาเน่นะงไกลเขาร้อยกองกระไร้ลยเสงยหุนมากบอพวกเขายากได้ผล มองบอกเละที่กระด้สังที่เก่าว่าจะทาสมาธิเนี่เกิดแค่เนี่ยเนาถ้ากันเท็จเอาจะตกาจดีว่าใจดีใจนีสมาธิจเกิดง่ายกสะอาดว่าใจสะอาดใจสอากาเสุทธิว่าจะริสกใจบริสยกตายทามบทกุฏชนยก ว่าจกทำโคตรชันยกจิตทำโคตรช่นยกอริยช่นอริยบุคคลขึ้นมามันกลายจากว่าจะการเกษตรว่าจากเกษตรก็โหะมันนั่งมาธิมนเกิดไงเป็นอริ ย, ร ย, กกยก เ, เ, รเกษตรเซีย น, น, นของป า, าลิาใดรักษาอริยกันรเซียนได้เป็นปาลญยาบุคคลขึ้นมาก แต่อาญาหุ่ น, น, นำำหนนนนนนุ่นหุ่นกระเสึ้นะให้มะนางสามารถจิ้วหัวใจยิบใจกระเสกมันกไปเึกน้ำอิเหนงปฏิบอดกันว้นน้ำอิเหน่ว่ามี่ใจก็ว่างใจว่างโลว่างโนดหลุดหอกมันใจก็ว่างท่นบ้องันว่างเพราะว่าก็ว่างถ้าว่างไหนบ่ ว่างว่างว่างว่างว่ามันหมอะไรอยายง้คิดมันก็ว่างคิดว่างมันสมาธิคื่อเดียวบางที็คิดว่าคิดสมมุติบางทีก็คิดจำคิดสมาธิมันว่าาว่ามนั่งอยู่ว่าบก็เกมยุดมเท นันเองขอก้เอรอขโว่างมากท้ี่ว่างค้นหาออกนั่ง็มาธิจ่าอ้นหายึดร้นจะค้นหาเจตโตอยู่รู้นจะ้นหาแมนั่งอยู่นี่ว่าค้นหาเป็นเล่าเล่าไป้นหายป่นรู้องโบ้านเพราะว่างต้องว่างเลาวี่รู้เล่าี่ก่อนรูีอย่างนี นี่เดถอนาดิงหนามต้มไส้มากกว่ามไก่ไว้เสรมี่ี่ยังตัวตัวแซมบูพอดบ่มีเลยนี่มันก็ว่างมันเี่มันว่างมันมันว่างพอคิดจากว่า็นหาวมันว่างนหาเมื่อว่างมันก็ว่าเอยฮ้ยมี่ยังที่มันโบว่างผมบอกเขาโบว่างมาอุยท่านยุ้ เม่อว่าเลาไอ้กเขาเราโซเขาเราเป็นฉันเราเป็นจิว่านมืว่านมเสียบ่มีเยนังแมผมจอะไรใจว่าเอานมเาบ่มีเขาก็บ่ี่าไปขึ้นมูด้อีกขึ้นนัางเขาเขา่มีขึ้นัเลก็บ่มีว่าว่านเลว่าเขาว่นตัวตนจากพระท่านิดก็วา วาจากขันหายชัวรสามารถทิ้คงคุมไว้ชั่งคุมไว้อ่าฉันเกิดว่าเจโตัวิมุตเถงง่ายๆแค่เอาหน้าปานสติแก่มันได้หน้าโดยเรเื่องเขาป า, านไปเรื่องออกกันสติแปลวันเรื่องรู้เลยเอาสติมาเรื่องรู้เรืเ่องรูล้ลมหาใจเขาออกอยู่ทุกอรียบทหมดยนเดินัน่นอน เขาเรียกว่าภาวนาอะไน่เห็ดมันมนมันเ่นนี้ไผสีมาคุ้เข้าแก่เข้ั้งอย่นไสีมอย่าแกแ้งงแต่เขาวัอยแก้เห็ดอดแค่หนึ่งสอืมั่น้น่าได้ถึงจะเป็นก็เป็นอ่้ดอแ้างรั่างต้อยากินอดับานเน่อดวาอดนอดนอเบา เบาอะไรอนน้อนโอนตหนัมาเบาเพืไรถ้าโอนน้อนถอนดหนังได้อามันไมันต้องสมมติเนี่ยในเงินเงินได้ต่างใจครับครม้ควกดน้อนอนน้นสองสามปีทำงานดีนยึดสมมตได้ ในรื่อที่แหลกตัวรนี้องไปคันต้อไปมันยากที่แหลกเนี่ยผู้อุตส่าห์นั้นรถตัดใเที่มันต่องได้เห็นไมหลัเห็นลงดูลงเมื่เราอยู่ในางพูดที่ยังไม่สงบพูดสงบแล้วเราเนี่ยทำการลงลงล้วก็ออกมาเป็นเหื่อหรือกอจากวิจิตรเช็ๆมาเป็นอุปกรณ์เครื่องชาย เหมือนกับคาเข่ไหว้หนังเขาก็ใส่ค้อนใหม่ใส่ยางลดใส่เป็นอุปกรณ์เพื่อให้ไหว้หนเต็มขับไล่หนังเต็มเขาต้องการยางลดควอนใหม่ยิบของเราท่านมันเปิดมาร ر ที่เพะต้องการล่มหายใจล่มหายใจป็นอุปกรณ์กระรอกยิบมาก่ะนนะจ๊ะ พออมันเกิดสมาธิเมื่อมันได้สมาธิงให้จแล้วต้องการงให้เจีงนั้นเนื้ดิเาจตใป่าเขาต้องเอาเนื้อนสิหล่อให้ป่าไม่จิตเบ็ดเมื่อป่าไม่ิเบ็ดแล้วเนี้เบ็ดเาต้องการเาไปจัอปาเอาสติมาจัอกพลูจับจิตจิตเื่อพุลู เี๋มจับเอาลมให้เสร็จื่เขาเอาวัดพิบัตตกเด็ดเอาปลาภานาเาิเมื่อปลาเอาลมให้เสร็เนีล่ออ้ยจักะชิตจับปลาปลา่กิเด็ดเมื่อปลาไม่กินเ็ดเราเียเด็ดแล้วก็ต้องการี่พิบิเด็ดเอาเ็ดคุ้มนอนี้ยแนอยปลากนี้ คำว่าไปจับเอาตัวพุทธบูอา ป, ปจิต ก, <c oughs> ก, <c oughs> ก, ก็คือกรคับปรบคองจิตนะไม่ให้มันถอนออกจากสมาธิให้มันอยู่ในอารมณ์นั้นเพื่อจะประักขางประคา่ะคาาษาหมาย่เรียกว่าประคองปคับคจิตให้มันสงบนั่นนนของที่แรกกะประคับคอจิต ให้มัเสกแล้วร่ำใใจเมื่อล่ำใหใจแลงันแล่ร่ำกัประค่อกับพัฒน์คั่จให้มันว่างให้มันสงบนานๆอยู่หันร่ำใหใจเพราะราแ่ลมให้ใจจังใจให้ใจลมให้ใจล้งัดับลมกายเนะกายก็หุ่นายล่ำเพมันออกกายไงกายออกกายเมื่อกายร่นร่ กายนี่ยกายมันก็เล่นเบาๆก็ก่งปันเชียวมาเบาๆจเีนังนยังสิ่งนยังหบบกายล่จล้รางไขให้ันคิกัความคิดกยุเศร้าึเข้าคิดเศร้าเศร้าแก่รู้อยู่ในปัจจุบันรู้ือ่้ือ่้ ดียก็ว่าอ น, น ก, ก่ก็วาเอาูเชิงู้เชิงปัจจุบันรู้รู้ปจจบันเอาสตินี่แหล่ะกิจอกก็เดินตบเบดออกปานี่แหละเอาสติไปใช้ อ, ออกปาจับออกจิตท่นานปคักประคองกิจให้อยู่ในสมาธินานๆอ่าเหมือนกับเรานอนตื่นนยฮะถ้านอนอะ นอน i, นัน่นนะมันยังมีกำลังเกิดนถ้านอนเยี่ยมเดียวเราก็เสียการเลยว่าขึ้นกี่นั่งนี่ขึ้นนั่งนี่ขึ้นนั่งนอนเงินรับเงินเกินอุปจาระสมารคิใคร่ไข่ตั้งข้อนอนเงินรับเงินเกินว่สบายไหมนอนเกินเดี๋ยวสะเทือสบายว่าไปอุปจาระสามารถมันถี่ไม่มีเท็จขนาดไม่มีเท็จอะไรทิศสั้นแดงแดงเทิด็นมะล่าตะกอน อีหลอดก็พ no, ร้อมเลยนอนที k í k í ่ใเอแจ้งโมกันสบายเป็้นเองเข้าสมาธิใหญ่กันอัปนาทานอัปนาสมาธิจิตลงถึงพละวางใหญ่ฐานใหญ่ก็บายออกจากสมาธิมาบางองค์บางท่านเ็าได้สามชั่วโมงส่ชั่วโมงแต่ผมมีได้เพียงสองชั่วโมง มันเคยเหมือนกับได้แต่ม้วนแรกได้ยังไงก็ไปเรียนกันแตกไปหลายจุที่แรกได้สอมชั่วโมงต่อมามันก็ได้สองชั่วโมงปันตั้งนาฬิกาเอาเองเวเข้าสมาธิพอถึงสองชั่วโมงปั๊บมันมีเงื่อนไม่รู้อะไรจะโดนอะไรให้มันถอนออกมามันอิมมันถอนออกมาเองก็มารู้ลงหายใจอยากขึ้นมา มือเห็นขาเห็ของเห็นตัวเห็นตนตขึ้นมาเนี่แหละจิตถอนจากสมาธิตอนมันเข้าสมาธิมันลมหายาจไม่มีไม่มีร่างกายตัวตนไม่มีสัตว์คนไม่มีมีแต่ธรรมาชาติหนึ่งเดียวรู้รรรูู้ว่างเฉยอยู่เวลาเขาสมาี่ รู้เฉยเฉยอยู่เฉยจิตไม่มีตัวไม่มีตัวมีแต่รู้กับเฉยอุเบกขาเอกขตาดวงเธยอยู่เฉพาะผู้รู้รู้อยู่เฉพาะจิตของเราตัวของเราเนี่ยรู้เฉยรู้เฉยอยู่เฉยไม่มีอะไรนี่แหละเราัญญานมกจากสมาธิก่อนรู้อ่อเวลาเข้าสมาธิแต่ก่อนเราถึงวั หรือ ใ, ใจของเราเป็นสัตว์เป็นคนในเราเปนเขามันนันไม่มีไม่มีตัวตนมีแต่รูป ก, กับว่างอ ย, นะ ย, ย, ย, ยู่นั้นรู้เฉยรู้เฉอเราเห็นในสมาธิไปถามครูอาจารย์่ำไมว่าสมาธิเกิดปัญญาทำไมท่านบอกว่านอนท่านไม่บอกอยากให้เราคิดเอาเองอยากให้เรารู้ เ, เองว่าปัญญาคือรู้ว่าไม่มีสคคมัตว์มีคนนี่น้องตาบอกเลยไม่ต้องไปถาม ปัญญาเกิดจากสมาธิคือเราเห็นเวลาเข้าสมาธิเห็นว่าขันห้าดักไจจิตใจกขันห้าขันห้าไม่มีตัวตนสัตวุกคนจิตของเราเป็นผู้รู้รไม่มีตัวตนสัตวุกคนเป็นธรรมชาติว่างอยู่แต่รู้รู้ตัวรู้ที่รู้นี่เคลืนไปเตือนนั่งดักนี่เน แล้ ว, ว, วออ ก, บบกร็รู้ว่านี่ยเขาเรียว่าอานาตตกิตอานตทากนี่ยปัญญาเกรู้บอกว่าเป็นธรรมชาติเกิดเอโกทัศน์โ ม, น, มนศชาตธรรมชาตินย่งเดียวลาวไ่าา น, นาคาใจสว่างสวัของใสครอบจกอักรวาสัตว์บคนต้นไม่มีคันหนาต้นีต้นไม่พวเขาเราการไม่มีลาใส่กันหมดนั่นนั่ น, นตัวกิจแท้ใจเดิม นี่แต่รู้กับเฉยอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยิ น, น, นร่างเฉยจิตประคับประคองจิตอยูย่ใหม่ๆนานๆมันจะได้ทักจิตได้พักนานาพักก่อนนอนหลับนานเหมือนกับเรานอนหลับจิตเข้าพภาวะภาวะใหญ่มันออกจากภาวะใหญ่จิต ก, ก็มีกําลังแจกระมีพะละนี่นะพละห้าินเจียห้าก็เกิดขึ้น เรจะเห็นต่ออกจากสมาธิแล้วมานรู้ตอนเข้าสมาธิมันคิดไม่ได้มันวางคันห่าอนพ้องเคล็ดกระบอเกิดกิดระงับกิดดับลงคิดไม่ได้พราะออกจากสมาธิมันก็เริ่มเห็นกายของเราอยากขึ้นมาเห็นลมห้ยใจอยากอยากขึ้นมาเห็นกายเห็นมือเราแต่งขาตัวตนขึ้นมาแล้วไงมันกิดมาอุปทานมาคันห่างใหม่มาเข้าในกไงันห่าง นี่แหละเราก็คิดได้เลยเท่นี่น้ำเสีเกิดจากเท่นี่โอ้ตอ น, น, นเราเข้ามาที่กายไไเลาเป็นยเวรนาเป็นอ่ความปวดแฉนปวดขาเปไหนหนา็่อย่างไรเท่นี่ไม่มีมานังห้าดับหมดไม่มีอะไรมนาะแสดงแปลงเคลื่อขึ้นมาได้จะมาใหญ่ปล่อยจิดไม่ได้นั่นเราไม่เห็นมีสัตวุปกรตัวด้วยนะ เราก็ไม่คิดอรรก อ, นะญญ ก, อ ก, ญญกว่าไม่มีสัตว์มีคนมีแต่ธรรมชาติรู้แต่ว่างอยูเท่านั้นนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิรุ้เท่านี่ปัญญาถ้ารู้ว่าไม่มีสัตว์มีคลอยู่างไรันหาก็เกิดปัญญาวิมุตติจิตออกมาแต่จิตก็หลุคพ้นจากกันหามีแต่พุทโธตัวเดียวเลยมีแต่ท่านรู้ตัวเดียวเลยจะแปลงงานยังไงปัญญาให้นั่นสมาธิ เข้าไปก็เนี่ยเคยไปเขียนไว้ในใส่นังสือเ ย, อย็นอยู่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหมเวลาออกจากสมาธิไหม่ๆน้องจิตเข้าไปพิ่ยาราณาดูอิตจบาขอมถ้าไปดูนี่มันตัวความบ้างตัวจิตมันจะสะสมสะสมอารมณ์ไปหลายคร้หลายชาติผู้ที่ท่า น, น ไปย้อนหลังพบชาติได้และเลึกชาติคนหลังได้ก็ออดูตรงนี้บุเพน่วะสามุสติยังก็ได้เกิดยนันเลือกชาติคนหลังนิวะแต่ว่ า, วาปางก่อนบุเพแปลว่าปางก่อนนิวะแปลว่ า, วลาที่อยู่ที่อยู่จะปางก่อนเราจิตเราเลยเกิดอยู่ไปเกิดอยู่พบไหนเป็นอะไรมันจะไหลออกมา ย้อนหลังขึ้นไปย้อนนั้นขึ้นไปพบนั้นฉันตาแต่นี่เป็นโลกียะยู ต, ปปะปะตัวะปาร์ติจัมุเพนิวาสานุสติยานก็เป็นโลกียะยานโลกีเราจะไม่หยาบได้ไม่ย้อนไปดูออกมาแล้วย้อนมาดูขันทันห้าเดยของเนี่ันปัจจุบันนี้ มันมาหลงมวามีาิ่งใ์ญุกลนตัวตอนอยู่ในนี่นี่แหละจะฆาาที่เด็กอันนั้นมันไม่ใช่นี่ตัวนี้ิดสิ้นอาสาวัคเพลย์ย่านสิ้นอาสาคกิเลตไม่ต้องไปหาหอกย่านรักษาเด็เกิดเป็นยังกะตายเพื่อเขาเหตุจังไหนที่่าเกิดว่ตายนี่ใหญ่ย่านตรงนี้ย่านมุมมแกมันเก็บมาตาด ที่มันมาเกิดไม่แก่ม่แกม่แต่เพราะเพราะว่ามันลงลงค้นหาว่าเป็นตัวตนชันบุคคลมันเยอมากง่ายคันหาทั้ง่ายมันเ่มาอุปบาญฑัญค้นหาอุปบัญฑัญรูกก็เป็นทุกข์อุปบัญฑัเอาเว้ยง่ายก็เป็นทากข์อุปบัญฑัญเอาสัญญาอุปบัญฑเอาสังขารก็นทุกข์อุปบัญฑัญเอาสัญาอยู่เนทุกข์เป็นอยังมาอุปบัญเพราะว่ารู้ว่าจริงลงอวิชชา นี่แหละตัวจิเด็กื่อตัวอริชานี่และกามาสวะพวาสวะอริชาสวะบ่อยทีสุอริชาเขาบกหลงั่าค้นหาหล่าเราเป็นค้นหาค้นหาจนเล่ารู้นหาแล้วแล้วริมีเนี่ยค้นหาค้นหามีเนี่ยเราล่แล้วเราเป็นค้นหาแล้ววิมีนก็ดดับอริวาจิเด็ลเปีัน้นหาเกิดดับ ว่มีผู้ใดเก่อกว่าท่านยึดปฏิบติันนันเกิดเองรับเองนี่พระพระองค์มาเห็นตอนนี้แล้วโอเคสุ anusate suti ที่ห้าสวดอยู่ในท่านมนจาจัหลวงตาขอท่านพอได้เกิดดูมองได้เห็นท่านทั้งหลายที่แตรักใจเห็นท่านหา เนี่กขันหาตัดับมันทุกข์เบิ้เข้าไปนั่งสมาธิันว่มาเบิ้ลรมให้ใหญ่่เบมันปวดสวนท่ามันแบไปวดขาเลยไถปวดแขนปวดขาเบิ้ลให้มันเห็นขาปวดเอวมันเล่าปวดเบิ้ลเข้าไปไเป็นปวดปวดกระันวของขาปวดหัวใจปวด เรามีอิริยาบถโยมทำเราปวดตีเล่าโยมได้นี่แหตัวอุปทานม่เด็กม่หลงว่าขันหาเป็นเล่าเลยว่าเราปวดขาเข้าใจมันดับทุกเด็กไม้ไดดับมันเลยมันมอเป็นเล่าตัวอุปทานมันไม่เด็กไม่ถือดับตัวอุปทานเลยเถิดมัรีย่าอุปทานเราฟ้องลูกให้จิ้มเอาวชาลูกให้จิ้มมันมองไม่หลงเนาะ มันไม่อยู่ที่ไหนหรอกาำใจไม่ต้องกลัมอ่าตั้งแก้วสงบไม่อยู่ไหนหอกทุกข์หรอกดังดูภาพเรียรสจันจทร์ในคลิปทะมันเกิดนี่นะทุกข์ังคืออริยสัจกินมันต้างทุกข์เงี่ยสิเอามองมาเห็นทุกข์มันเกิอดอะรบ่หลงว่าทุกข์เพื่อสุขเพื่ออนุมัติเตโชตนี่นะฮะสวดเพลง จะคงอุตตปาฏิยิปย์ดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดได้ใส่ดวงตาตาจิตตาใจตาปัญญามัน ต, านตน่นญญางกันแต่ละเนื่อปัญญาได้เกิดขึ้นเก่าแล้วแลวิชาได้เกิดขึ้นเก่าแล้วแลสงสว่างอโลโกอุตตปาฏิยิปย์ได้เกิดขึ้นเราแล้วในธรรมที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนว่านี่คือทุกข์เห็นทุกข์เกิดขึ้น ยันหัวมันปวดทาอะเบิ้มนี่มันเห็นทุกข์บางีผู้ไปยึะโอ้ปท่านหมดเลยมันเป็นอม่างเขาทุกข์ทันหามันเป็นอย่างปวดแขนปวดขามันเป็นอ่ทุกข์นี่แหละอุปวดทานทันหานี่ลคือทุกข์อะว่าโดยย่อประทานทัานหานั่นแหละคือทุกข์หลงว่ทันหาเป็นตัวตน f a c ค่อนเท่ากับวอุปทาน เห็นดับอุบ th <c ười> ัติเหตเยู็ัหาน้ตนวดจะวันหวาวันนนหวัห้องเลยนี่้องใช้ผู้มันเป็นยง้วดนี่แหละวอเดียบแต่ลูกทุกข์้เป็นผู้วดาแลวดอยู่มองไหนมองไหนเป็นเลาของีตัวขวดพลาดั้งห่ดับอุบับทุกข์ การพากั น, น, นออกได้เหเล่นอย่าองเนื้ส ต, ติเลยถ้ามันดีก็ย่านดีต่อ น, น, นกลับไปต้องเล่นออกออกจะเลยเต็มห่วงเรื่องรับเรื่องนอนเรื่องทานะ อ, น, อนน้อยฉน้อยนนอนก่อนานนเล่ น, นเอาลยทเย็นเี่ยเยน็เยนเป็นสมาธินมาก็เรื่องจะได้เข้าเข็เริ่จะขยายมาเลย การเป็นอีมาถึงแค่นี้ทั้งเล่นเอาเราเหมือนเล่นเอาลมหาใจเรเป็นลมห้แใจของเราเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ปฏิบัติพอเห็นยู่ลมเข้าแล้บอกก็รู้เองเห็นเองผู้ปฏิบัติคุณรู้เองเห็นเองแต่เดินมาสันที่ิโก้แปว่าผู้ปฏิบัติคุณรู้เองเห็นเองเห็นลมหายใจของลมหยามลมของมิลมละเอียดลมของมิจฉ ร่มหยาเป็นยังไงมันสุกือมันทุกเนาเรมละเอียดก็จะได้มันโยร่มละอียหใจามันเป็นไ่้ามันเป็นมันยกยกสมาธินี่แหละท่นั้นเวทนาในชา่สมาธิมันสุกมันละเไม่ได้ไปดูที่ไหนอ สังเกตล้มให้เตะลมให้เจริญร่ากายล้มตรงนี้เตะเตะความรู้เชอแล้วมหาันนี้เองะพุทธยนั่งสมาธิจิตสมุปตเตตุผจิตสมุสมุปจอารมแม่อีกอาแม่นาขบมีแน่วไปผลเตะจิตจิเรลี่ยไปนี่สังขารไม่มีสังขาร มีแปลว่ามีสังขารเต็มแต่ไม่มีสังขารเต็มแต่คิดก็่เลยแต่หลูหลู่หลูเชิอยู่ตัวนี้เราทีสังขารเพื่อเราพุทโทกัเลยยังไนี่เหตุใดเพื่อการก้าเขียนหนังสือเขียนแต่เดาง่ายเพื่อการขี้ยงยากขี้ต่เดาง่าบ่จับแน่ว่างแหงว่าเมื่อ หยไปเสสเดียวมั่งเนี้ยไปเดี่ยวไปทังเดีสมาธิได้ไหนี่ลงลุกคุกคเหมือนกับฝึกสมาธิลมลุกคุกคันฝืนลมมัจับไม่ขี้ยจิตมันแร ง, งนี้แต่กงเมืนตมาิไม่ขี้ยจักรยานมันลกตังไไ้งก็ไม่ทีบเอาวรงน้ำขีเป็น ที่เป็นชนาดของแก้วองค์ไวชนาดชั้นี้ชนาดเราจิตของเราเหมือนกันถ้าชั้นน้ชนาเราเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ต้องไปคุ้มแม่บังคับอยนากลสมาธิเป็นเองโดยเราเป็นล ม, ม, มไม่ต้องมาออกท่าออกทางมานั่งให้เลยย้ายเดินแน่นอนเป็นสมนาธิอยู่เงินต่อไปแน่นตึงตึงเดี๋ยวเอาไปงนี้เล พุทเธนเนี่นะคือนาตเดเกี่ยวเทศได้เลยลัสติบ้างหมดเเต็มยุ่หยิงเตเปี้นย่งเหยิงสมาธิท่านเชื่ว่าสมาธิเป็นไปโดยอัตโนมัตินี่หละี่น้าทำทเป็นเพื่ออยถ้าผู้ได้อันนี้แล้วมีเพื่อนอยูสมาานเป็นเพื่อนอยู่หอกสัมสมา สมรรถะเต็มภูมิกำลังเป็นแก้งจิตไม่ออกไปสบอิเลิกเสพอารมณ์ทั้งนันลูกอยู่ความรู้ความว่างปีตสูขอยู่ในเลื่อนๆสมรถะเป็มภูมิมันยืนแรงนเต้นอยู่เป็นทำให้น้ำนักทีนี้บ่เดินปัญญาไม่เข้าสมาธิเห็นอะไรก็เดินปัญญาเลย ธรรมะจิตมันเป็นเองกายจิตอยู่ตลอเห็นอะไรก่อนพิจารใส่ใจให้ถ้ามาถอดกายูก็ถอดได้อันหนึ่งว่าไม่มีตัวตนใส่ตุกคนอยู่ในกายของเราอันที่สองเเห็นว่ามันเป็นอริยสัจมันช่งงมีแต่น้ำน้ำนเลีโคโลจินน้ำน้ำน้เหลอกน้ออกมาเรียกคนน้ำเราออกมาใส่ของ สวยงามเห็นเป็นอริยภาพหน้าเกียดหน้าช่างแล้วเองสวยงามต่อไปเเป็นอนิจจังพุทธะนักตาจบเห็นอะไรก็ลบสู่ใจดำรงทันหักเกิดอยากก็เป็นอนิจจังพุทธะนักตาเวทนาเกิดดยาก็เป็นอนิจจังพุทธะนักตาจิตเกิดดาก็เป็นอนิจจังพุทธะนักตาความคิดไม่มีตัวตนสัตวคน เขาใจอย่างนี้มก็ดำโลกได้าลงได้สมุนได้ก็เห็นมุสิสมาจิตก็สวยอุู่ตลอดวันตลอดคนมุติต่สุดข้อสำคัญขอให้จิตสงบได้โกรดให้จิตสงบแล้วปัญญาเกิดง่ายท่านที่เกิยรดังนั้นหินลักปัญญาสมาธิปัญญาของเราคล้ายๆล้ายกับมีอาวุธ มันใช้งานตลอดวันตลอดคืนมันกินข้างเรามันจะไม่คงให้กล้มาเข้าสมาธิเพื่อให้จิตหยุดชิดหยุดทำงานมินก็จะมีพลานเจต่าขึ้นมานี่แนละ้ปัญญาคืออาวุธมันจะไปฟาดฟันกิเลสคือความโลกความโกรธความหลงความรู้ไม่จริงให้จหายไปให้ขาดไป พรเอริยสงมนมียู่สี่เจ็ดพวบพระโสดาบันสกิทาคารานาคารวะหลังทำไมเนี่เพราะอะไรเพราะมรรเป็นเครื่อง่ากิเลสอย่างละเอียดกันพระโสดาบันกัวฆ่าได้สัจะที่ถี่ที่จีชาสิระทัศน์หลังถ้าได้พึ้นไปอยู่กัพระนาธารีกรรมมลาคาตสกิทาทั้งย่อจนจบห้า สังโยชน์ก็สูงสังโยคือกเลสมรรคยิเพิ่มข้กิเลสกิเลสอย่างดำกิเลสอย่างสูงเอาเลยมาข้ามเขาสติปัญญาพระโาบันกข้ากิเลสได้สามกฤตทิฏฐิที่จิตอิจฉาเสื่อมพัทละมกิเลสกับสังโยชน์กสังโยชน์สิบ กิเลสทีอ่อยู่สิบอย่างสังโยชน์ที่อยู่สบอย่างสังโยชน์คือกิเลสกิเลส ก, ก็เรี่ยกสังโยชน์ก็เรียกที่จึงรับมกให้จิตอยู่ในพวกนี้่ไมอยู่สิบอย่างนี่าเรียนยี่สิบออกเป็นสี่จงวตามความอยากละเอียดซึ่งมรดกเป็นเครื่องขาดจิตแลต่างกันให้เข้าใจอย่างนี้ แต่แาสดาเขาฆ่าากก็ฆ่าเล้านะงนก็ฆ่าได้ทังสิบอย่างดักทีเด็ดได้ักทั้งรูปสิบอย่างมันไม่มีอะไรหรอกฆ่ากันเอาเอาต่อไปให้ปวดให้ตั้งใจเอาจัเอาสติจักอารมให้เอาสติเอาจิตมาบางเอาสติควมจิตเอาอารมณ์ให้ใจเป็นเคงรูปจิต เปเลกงสตอยู่เลอย่าบานกจากกันเผอสิคามตั้งสิผลเผอเ้ยควาตั้งร้อยเผอหมดวันตั้งหมดวันตั้งสติอยู่เลยเอาแรงงานมาสู้เราไม่ได้เกีสู้ความเกลียสู้ความเมยต์เราไม่ได้มันก็สมุกท่านดกิีได้